เคยปฏิบัติดีเหลือเกินก็เคยดา่าโคตรเง่าสกาตมาเมามาอ<ช><ๆ>ยอะแยะต้องมาคิดอย่างเชื่อไหมเป็นอย่า ง, งไงยาอนวันฮวงเที่ยงนะเนี่ยสังสาวรวัตรเป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้กรรมอะไรที่เรายังไม่เคยทำไม่มีเหลือมรรคครมเลยพระเจ้าแม่างน้อฉะนั้นในกรณีที่เราท่านทั้งหลายเกี่ยวข้องกันโอ้มีผููจากันหยีๆต้องต้องคิดมุมนี้ด้วยเพราะความจริงเป็นอย่างไงก็เหมือนกับที่พระเจ้าละที่ว่าเกิดไปยินดีในอุบาสิกาท่าน พอท่านยินดีเบร็จท่านก็อากจะรู้ว่าบาสิกาที่รู้ความคิดของท่านไปนแล้วในสุดยิงต่อมาท่านก็ได้เป็นท่านใบบรรลุงไงเพราะวาสิกาเป็นคนบอกเขาบอกเบรศแล้วท่านก็ได้พิญญาท่านก็ระ ล, ลึกโอ้โหรเลือกไปชาติไหนชาติไหนก็เห็นในตัวความเป็นเพชฌฆาตเคยฆ่าตัวเองมาทุกอัตภาพเลย90กว่าอัตภาพท่านก็โอโ้ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วนี่เพชฌฆาตเราไปหลงยินดีนางนี้ยังไม่รู้เท่าไหรแล้วจะหนีแล้ ว, า น, ลวนางก็เลยบอก ให้ระลึกต่อไปหน่อยก็ระลึกเลยเก้าสิบเก้าอัตรภาพก็เลยเห็นว่นานางเคยสละชีวิตให้เป็นต้วยกินมองเห็นขุนน่ากลัวไหมเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยบางพ บ, บางชาติเราไปเกิดเป็นมแมลงกัดกันตัวเกลียวเลยยกัดคุณ <c oughs> <c oughs> แย่งอาหารกันกี่ <c oughs> โอ้ห้าเกลียดมากไม่เคยสนใจนะบางที่ไปเป็นสุนัข <c oughs> เป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันกัดกันจนเลือดฉีดหูขาดน่ากลัวไหมนะนี่เป็นแบบนี้ว่าตาเป็นอย่างนี้ เราเราเหมือนจะดีๆกันนี่แหละตอนเนี้ยเขาเรียกตอนนี้พักลบเดี๋ยวก็ไปลบกันต่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังพักลบกันอยู่ในที่นั่งๆอยู่เนี่ยถ้าตราบใดยังไม่ทําลายกิเลสในกระแสขันให้ขาดสิ้นจากมรรสานัานเดี๋ยวก็ไปลบกันต่อมันสงอกกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปลบต่อมันเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจสังสารวัฏเสเนี่ยมันจะได้ชัดมันจะได้เร่งออกมันจะได้ไม่เพลิดเพลินมันจะไม่ติดอยู่ มันจะได้ร่วงเลยสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ทั้งนั้นมันก็ติดขัดแล้วก็ขัดข้องอยู่นี่เข้าใจใช่ไหมแล้วในสจริงมันก็ออกไม่ได้เราจะมายินดีจะมาเพลิดเพลินอยู่แค่นี้พอไหมโยมทุกคนมันไม่พอแล้วมันไม่เพียงพอแล้วแล้วมานั่งเฉยๆไม่วิจัยไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาก็ไม่พอใครยินดีเดี๋ยวก็เห็นโทษนี่แหละที่บอกว่าอุ๊ยน่าสรทามากท่านสอนหนังสือดีว่าั้นบรรยายทํา ดีเหลือเกินเป็นไปตามคำสอนนี่ยังไม่ได้ปัจจัยโกรธนะถ้าได้ถ้าได้ปัจจัยโกรธขึ้นมาตอนนี้คนละเรื่องกันเลยตอนนี้ยนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจสังสารวัตตรงนี้เสียมันชัดแล้วต่อไปมันจะได้ไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้พอสิ่งเหล่านี้เกิดเข้าจริงๆจะคิดยังไง ร, รู้ไหมแหม่ที่คิดไว้เร็วเหลือเกินวิชาเหลือเกินแค่นั้นเองตรงนี้เพราะจริงๆสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวก็เกิตราบใดที่ยังสังสารวัต ก็ขนาดนางพิมพาริยโสธราใช่ไหมที่เคยสร้างบา ร, รมีมากับพระโวธิสัตว์บางพบชาติโอ้โหมีอยู่ชาตินึงที่บอกว่าอะไรนะเออเป็นญาติเป็นเป็นจันทานกันทัน้งคู่อยู่ด้วยกันนะไปไปมามาก็เห็นพระเถร่อัคร า, าคสาวกของภาษาวกทํายังไงอยากจะทําบุญไม่มีเงินก็เอาเมียไปไปขายเอาภรรยาเนี่ยไปขายเอานางพิมพานเะนี่ยอดีตของนางพิมพาเราไปขายนั่นปัจจัยมาก็ไปทําบุญ ท่านออกจากนี้รวยทสมาบัตดใช่ไหมโอ้ว่าอันนี้สงเยอะทําไปเสร็จพอก็ได้บุญบุญส่งผลก็ได้เป็นหมหาเศรษฐีพอเป็นหมหาเศรษฐีหงอเลยเลยดี๋ยวนี้ไฟสามไฟพระโพธิสัตว์เนี่ยภรรยาคอยข่มคอยดายตลอดล่ะเพราะนี่ที่รวยได้เพราะตนเองเนี่ยพะขายตัวเองเนี่ยดังนั้นอย่ามาเรื่องทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยมันของข่าเนี่ยไม่ยอมนี่ขนาดสร้างบารมีด้วยกันยังขนาดนั้นน่ากลัวไม่เล่า ไปเจอบางคำภีที่กล่าวไว้โอ้ตายเลยนี่เป็นอย่างนี้โยมสมานมันจะได้เห็นโทษโอ้ตายแล้วเสียงชมคือเสียงด่าเสียงด่าก็คือเสียงชมไม่ต่างอะไรกันเลยเป็นปัจจัยแก่ราคาโทรต่อเมื่อหมดถาไม่พิจารณาเข้าใจไหมถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นเห็นความจริงว่าว่าเป็นอย่างไรต่อไปก็ได้ไม่ติดมั น, นยังบางทีก็เสียงหมาเห่ายังติดเลยใช่ไหยวันนี้เห่าเพาะเลยก็ มันก็ไปติดประมาณยางขมเลยเลี้ยงมาเดกตาเป็นกัดเอาโกรตรงนี้ก็คือว่าอุเบกขาก็เกิดขึ้นกับผูุ้ชนผู้โ ง, ง่เขาหลงและผูุ้ชนที่ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นส่วนบุคคลที่เจริญอุเบกขานอาศัยเนกขมะก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละแล้วก็อุเบกข์ที่ประกอบด้วยวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่ารักไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่ร่มหลง เพราะขาดการเพิจารณาในอารมณ์ที่อารมณ์ที่น่ารักเป็นต้นที่มาสู่ครองของทางจากขุทวานโซตัทวานกาณฑ์าวานชิวหาทวานกายาทวานเรมโนทวันนี้คือในเ ว, เวทนาเหล่านั้นอุเวขาที่อาศัยการออกจากเรือน6เป็นฉไหนอุเวขาย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้รู้แจ้งโดยความไม่เที่ยงนั่นเองโดยความแปรปวนโดยความคลายไปโดยความดับไปของรูป แล้วเห็นรูปนั้นโดยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายทั้งในการก่อนทั้งในบัดนี้รูปเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้มีความแปรปวนเป็นธรรมดาอุเบกานั้นจึงเห็นปา น, นั้นอุเบกานั้นก้าวล่วงรูปไปได้เพราะฉะนั้นอุเบกานั้นจึงเรียกว่าอุเบกขาสายการออกจากเรือนในอุบริบันดาทีนัดังนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไปพิจารณาในลักษณะอย่างนั้นก็คือแปลว่าท่านวิจัยจนไม่ติดข้องเนาะวิจัยจนไม่ติดข้อง โรคที่เข้ามาสู่ครองของจกักรทุตุลวานก็วิจัยทุกรูปเนนั่งๆั่งอยู่เนี่ยคนละรูปคนละสีเนี่ยนะเราวิจัยทั้งหมดหรือยังวิจัยทั้งหมดหรือยังถ้า ว, วิจัยไม่หมดนะมีสองมุมนะช่เช่นเป็นปัจจัยเกิดความรักก็ได้ใช่ไหมเป็นปัจจัยเกิดความกโกรธก็ได้เป็นปัจจัยเกิดความหลงขาดการพิพจารณาก็ได้วิจัยสิแล้ววิจัยบ่อยๆจะติดข้องในรูปนี้แล้วก็วิจัยไปเรื่อยๆปุ๊บปุวิจัยไป คูดขาดวิจัยไปเข้าใจไหมเอากลับไปก็ไปวิจัยรูปกว่าเนะเห็นวิจัยวิจัยไงในสังสารวัตรก็เกี่ยวข้องกับรูปนี้มามากแล้วก็ติดกับรูปนี้มามากรักรูปนี้มามากใช่ไหมทั้งๆ ท, ท, ที่รูปเหล่านี้แปลปวนเป็นธรรมดามีความกลายไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาเพราะปัจจัยที่ทําให้เกิดรูปนี้ก็ไม่ทีแต่ก่อนก็เล็กๆรูปนี้ก็แปลปวนไปเรื่อยๆนะเนอะพระได้เห็นได้ปัจจัยว่าไปทำดับก็เริ่มวิจัยไปแล้วโอ้บางทีก็ไม่พอใจใช่ไหม เมื่อขัดเครืองอะไรต่างๆเนี่ยก็ขาดกันบางที่ก็เฉยๆกาดการพิจารณาก็วิจัยการวิจัยยากไหมเบื้องต้นจริงๆวิจัยยังไงก่อนนะกรรมรตะกตาสมาธิถี่ต้องชัดเอานั่งมันอยู่นี่มีกรรมเป็นของตนนะเข้าใจคำว่ามีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตอนนี่ยังชัดคำนี้ไหมเราเข้าใจว่าเรามีเงินทองรัตนาชาติต่างๆทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของของเราใช่ไหมจริงๆสิ่งเหล่านี้ใช่เป็นของเราไหย เกี่ยวข้องกับเราเฉพาะที่เ อ, อลมหายใจขนาดมีลมหายใจบางทีก็ต้องจากมันมันต้องจากเราใช่ไหมแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถติดตามเราไปได้ทุกปีกันถ้าเกิดการจราจนมีการเผรามีการทิ้งแลเราแก้ไขได้ไะเอาเกิดเหตุการณ์อะไร ต, รต่างๆเสียหายเบ็ดเสร็จธนุพงธนาคารปิดต่างๆทัดเทอ ด, ทดล้มเลยแล้วนะ่มีบัตรเครดิตแย่ยังไงก็ไม่ออกเข้า <c oughs> กดยังไงก็ไมีไไอะไรออกหายเลี่ยงหมัน เห็นไหมมันไม่ใช่ของเราถาวรยิง่งแต่สุจริญกรรมดุจริญกรรมบุญบาปทั้งหลายนี่เป็นของเราแน่นอนนะตามไปนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้เฉพาะแวบๆบแค่นั้นโยมองค์กใช่ไหมมันจะเกี่ยวข้องกับแวบเดียวแวบเดียวแค่นั้นแหละนี่มันจะมันจะผ่านกันอยู่แล้วก็จะน่ะเข้นานะเข้าเราก็จะสิ่งที่ทําไว้สุจริญกรรมและทุจริญกรรมทั้งหลายมันก็ตามให้ผลเรานั่นแหละ ตามกระแสขันเราไปในสังสารวัตรเจ็บปวดก็เป็นนั่งเจ็บปวดเป็นต้นเหล่านี้มันมันเป็นอย่างนี้จริงๆพิจา ร, รณาหเห็นให้ชัดเราจะรู้อะไรเป็นอะไรถ้าพิจารณาอย่างนี้นะในส่วนจริงโมหะก็กินโมหอาศัยเรือนก็กินเราใช่ไหมเพราะขาดการเพ่งขาดการพิจรารณาผ่านขาดการใคร่กวนฉะนั้นพระุทธเจ้าจงบอสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนมีสุจริตกรรมและทุจริตกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติ แม้สุจริตกรรมและทุจริตกรรมที่เราทำไว้ในสังสารวัตรนี้ก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนอะคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็แปลว่าบางครั้งจะส่งผลในช่วงนี้มันก็ไม่ให้มันก็ไม่ให้อีกช่วงหนึ่งเป็นต้อน อ, อีกเยอะแยะหมดมันเกี่ยวข้องด้วยเหตุปัจจัยค่อนข้างเยอะบางทีเนี่ยมันบางทีเวลามันด้วยการที่เราประมาทใช่ไหมอดีตกรรมทํามาแล้วเนี่ยแต่ด้วยการที่ทําสตร์ปัจจุบันกรรมพาดขาดสะสมภาระกรรมที่เป็นกุศล เสร็จเลยอาุศสลกรรมก็ได้ยังหวาดได้โอกาสว่าตูมเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้ามาให้ผลตูมอวัยวะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปเอาที่ฉันแก้ไม่ได้แล้วตาบอดไปซะแล้วแก้ไขได้มไหมไม่ได้บางอย่างแก้ไขไม่ทันอะไ่นี้เพราเราบางทีก็ความผิดความพลาดอะไรอีกเยอะแล้วกรรมต่างๆเหล่านี้มีมากนะทุกกรรมเราทําไม้หมดเนะี่ยจำคานี้ไว้เพียงแต่ว่าเราเราจะพลาดมันจะส่งผลอะไร การเดินกับเอข้อเขียวอ่ะได้เดินได้แค่ฝ่าเท้าเดียวอ่ะหลุดนิดเดียวจะตกเขียวอัอนตรายไหมแล้วมือเราก็เกาะอยู่หน้าผาค่อยๆเดินค่อยๆเดิ น, ออดนโอกาสตกสูงไหมนั่นแหละการฆ่าจะถูกกุศลกรรมขัดนันนั่นน่ากลัวจริงๆเนี่ยนั่งๆกั น, นอยู่เนี่ยเราเรามันใครจะพลาดเมื่อไหร่เท่านั้นแต่พลาดแ น, น่นอนตราบใดเรายังเล่นกับสังสารวัตรนี้ที่สุดเดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็อัดดนแต่แล้วมเป็นอย่างนี้ ทั้งสารวัตเป็นอย่างนี้มันก็เอาไปแสดงน้ําใจกันหน่อยไปเยี่ยมเอาดอกไม้ไปเยี่ยมยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายจากโรคนี้นะฮะไม่ค่อยหายแต่มันก็เป็นครับใช่ไหมตรงนี้ก็คือว่าอุเบกขาที่ถ้าพิจารณาเรื่องกรรมเบเสร็จแล้วต่อมาก็วิปัสสนาสมาธิถี่มันถึงจะชาัดเพราะตัวสมาธิถี่เนี่ยมันต้องไล่มาตามลําดับใช่ไหม สมาทิฏฐิระดับศีลสมาทิฏฐิระดับฌานสมาทิฏฐิระดับวิปัสนาเป็นต้นสมาทิฏฐิระดับศีลระดับกรรมยี่สิบต้นนี้นะมันอยู่ในระดับเดียวกันเน่ยระดับศีลระดับกรรมระดับฌานระดับวิปัสนาถึงจะเป็นไปตามลําดับระดับมรรคผลเนี่ยมัต้องแยกให้ถูกญาณสมาธถตงแยกให้ถูกสมาทิฏฐิระดับศีลเขาเรียกว่าเจตสิกศีลสมาทิฏฐิระดับฌานเขาเรียกฌานสมาทิฏฐิ สมาธิระดับวิปัสนาเขาเรียกวิปัสนาสมาธิสมาธิระดับมรรคเขาเรียกมรรคสมาธิระดับผลเขาเรียวกว่าผลสมาธิระดับปัจเจกเขาเรียกปัจเจกสมาธิเข้าใจยังอันนี้ชื่อเรียกใี่ถูกก่อนเดี๋ยวแยกไม่ได้เดี๋ยวนี้อ๋อสมาธิระดับศีลที่เป็นเจนสิกศีลก็พิจารณาไงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นท ร, รัพย์สมบัติ ข, ของตนมีกรรมเป็นญายาทไหม อ่าเรามีทายาทไหมมีแต่พอตายไปแล้วใครรับมรดกพ่อแม่ตายไปแล้วใครรับมรดกก็เราไงใช่ไถ้าะยมมงคลตายไปแล้วก็ลูกก็รับมรดกใช่ไหมอันนี้เป็นทาญาทยมมงคลที่แท้จริงไหมไม่แท้จริงหรอกทายาทที่แท้จริงคือสุจริญ ก, กรรมด้วยจริญกรรมใช่ไหมการที่ว่าเราเราเรามีการเป็นทายาทเนี่ยแล้วก็มีทาติเรานี่โอ้โหเรา ทายาของคนนั้นคนนี้มันเกี่ยวข้องเฉพาะอามณ์ให้ใจอยู่เท่านั้นคาว่าทายาแต่สุจริตกรรมด้วยจริตกรรมเป็นทายาตลอดกาลนี้ที่ยังมีกระแสขันธ์าตเย็นท่านั้ทุกพบไปที่ไหนก็อันนี้กรรมก็เป็นทายาทอยู่นะโอ้ oh. เป็นอย่างนี้เราเนึกว่าเรามีทายาทจริงๆคือบุคคลคือพ่อแม่เป็นต้นไม่ใช่แต่กรรมต่างหากใช่ไหม mm. พอเข้าใจอย่างนี้กรรมจึงเป็นพีชานิธานกิจกเลยนิธ mm. านกิจกเล ย, เ, ลยเป็นตัวพเพาะเมล็ดพืชเพื่อ ผลแก่การเจริญก็งามเดือบไปตอนเนี้กุศรศีลของเราเป็นยังไงเจ้า ก, กุศรศีลนะเพาะลงเนี่ยในกระแสขันถ้าเพาะลงเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ตัวต้นของศีลมันโตขึ้นเนี่โตวะยัอยงอะไรคือรากของศีลอย ม, ม่ดีป่นะหงเมตตาไงเป็นรากของศีลใช่ไหมอโท o s คือความไม่กโกรธแล้วก็ขันติไงเป็นรากของศีลถามว่ารักษาศีลแล้วหมุดยิดไวไหมนั่นรากของศีลมันขาดไหมขาดต้นไม้รากขาดแล้วมันเจริญไหม เหลืองแล้วมั้งใบร่วงแล้วมั้งตอนแล้วมันจะออกผลไหมเงี้ยมันจะออกเป็นชาญเป็นมรคเป็นผลไหมไม่ไม่เป็นเลยแต่เนี้ยเนี่ตัวศีลเสียตัวศีลกุศลศีลมันเสียเยอะต่อไปก็เพราะเมล็ดมันแ้วก็ดูแลอ่ะสังเกตตรงไห น, นกายกับวิจิกรรมการแสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยทุจริตหรือสุจริตพอพิจารณากรรมได้ชัดขึ้นมาก้าทํากรรมชั่วมไหมไม่กล้าเลยกล้าทุจนะ เพราะที่คนกล้าทุศีลเพราะขาดเจตสิกสีนคือสมาธิที่ถี่เห็นไหมเพราะขาดการพิจารณาตัวนี้ไม่แรงยิ่งไม่เยอะสมายน้องตัวนี้แรงๆไขควรพิจารณาจนชัดอีกลาทุศีลเพราะคนทุศีลคือคนทํำลายตนเองเสียหายเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะมองเห็นไหมตรงนี้นี่แหละพอสีนชัดเจนเบ็ดเสร็จนะต่อมากรณีที่จะยังวิปัสสนาเป็นต้นนี้เป็นไปก็ได้ ทีนี้ถ้าบอกว่าอุเวขาการล่วงรูปเป็นต้นอุเวขาจึงเรียกว่าใส่การออกจากเรือนนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้เวขาที่เป็นไปในเป็นกลางอารมณ์นั้นๆมีส่วนเสมอกันกับเวทนาะก็จัดเป็นอุเวขาในที่นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงเสพเสวิตักับพึงเสพ อ, อุเวขาที่เกิดขึ้นด้วยนาาการออกจากเรือนด้วยนาจแห่งวิปัสนาด้วยน่าแห่งการตามลึกด้วยนาจแห่งฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เป็นต้นอันนั้นก็คือว่า บรรดาอุเบขาเหล่านั้นก็ให้เข้าใจเนาะมีอุเบขาทั้งหมดเลยนะอุเบขาที่ยังมีวิตกมีวิจารณ์ตัดฐะยันจากสาวิตรกลางสาวิจารังก็คือเบขาที่อาศัยการออกจากเรือนนั้นเึงทราบว่าอุเบขายังมีวิตกยังมีการตรองยังมีวิโ ต, ว, ตวิจารเนี่ยนะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการออกจากเรือนด้วยอำนาจวิปัสนาด้วยอำนาจแห่งการตามลึกเนอะในชาญหนึ่งชาญใดเป็นต้ น, นนะอุเบขาไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ก็คือว่าเออเข้าไป ถ้ายังมีวิตกก็คือว่าเบขาที่ตามเรืร่องปฐมฌานเน่ยถ้าไม่มีวิตกวิจาร์ก็ตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปนี่เป็นไปลักษณะอย่างนั้นเบขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณปานนี่กว่าเนาะท่านกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอารหัตผลของภิกษุสองรูปภิกษุรูปหนึ่งเมื่อเริ่มตั้งวิปัสนาในเบขาที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณก็ใครควรโนวเบขานี้อาศัยอะไรเกิดก็ทราบที่ตั้งเนาะเมื่อทราบที่ตั้งก็แยก พิจารณาเห็นนามรูปเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็วิจัยเป็นไปตามลําดับของเฉดปัจจัยของนามรูปแล้วก็วิจัยสู่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเมื<ส>่อวิจัยเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นบเบ็เสร็จแล้วก็ตั้งวิปัสสนาจนเกิดอุทยาพยาญาณอารถนิพพิทายานเป็นต้นเหล่านั้นในสุนจริงก็แทงตลอดเป็นพระอรหันต์เป็นต้นได้เป็นต้นเหล่านี้นนะอุเบกขาที่ตั้งมั่นเหล่านั้นอุเบกขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารปราณี่กว่าอุเบกขาที่ยังมีวิตกมีวิจารณ์ เวขาที่เวขาอิปตนาที่ไม่มีความที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารประนีตกวา่าอันนั้นก็ไล่ไปตามลําดับเนาะไม่มีอะไรก็เพียงแต่ให้เข้าใจว่าสมนัที่มีวิตกมีวิจาร์ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ในญ่าเดียวกันโดยฐานะเป็นปัจจัยนะโดยโดยฐานะเป็นปัจจัยยังไทงทั้งที่ได้กล่าวพอกล่าวตรงนี้เบเสร็จพระพุทธเจ้ากระตัสว่าขอถวายพระพร ภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ดําเนินปฏิปทาที่สมควร น, นี่เป็นมรรคปฏิปทานะเป็นเวทานานุกัาสนาสติมฐานนะถ้าหากว่าภิกษุดําเนินไปอดพิจารณาเห็นเวทานาในเวทานามีความเพียนมีสัมบัติยามีสติใช่ไหมกำจัดอภิชาและโทมนัสในเวทานาก็คือในโลกเสจยได้เนะี่ะกําจัดอภิชาและโทมนัสในที่นั้นคือกําจัดสมุทัยอ่ะละราคาโทสาโมหะในเวทานาเป็นต้นได้ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าปฏิปทานี้ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ดําเนินปฏิปทาอันสมควรอันสมควรแก่อะไรแก่โลกุต ร, ระเขาเรียกประพฤติทำตามสมควรแก่โลกุตละทำก็ยัง น, นแต่แล้วเราเคยเอาเวทนาเหล่านี้มาวิจัยจนสมควรต่อการยาละกิเลสเพื่อเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าอย่างนั้นยังไม่มีธรมมธรมานุธรรมาปฏิปตินะยังไม่ได้ประพฤติทำตามสมควรแก่ทมยังไม่มีปฏิปทาตามสมควรนะ แล้วให้ถึงความดับส่วนแห่งสัญญาประกอบด้วยประปัญญธรรมดับส่วนสัญญาที่ประกอบไปด้วยประปัญญธรรมก็คือดับส่วนของตัณหามานาทิฐีนั่นเองสัญญาที่เป็นไปกับตัณหามานาทิฐีนั่นแหละเอวังปฏิปันโนโคเทวานาะมินดาพิกขุ ปปัญจสัญญาสังขาระนิโรธสารูประคามินีปฏิปทังปฏิปนันโนโหติเวเดนบอกว่านี่ไงสัญญาที่ประกอบด้วยปะปัญจธรรมเนี่ยได้ดับส่วนสัญญาที่เป็นไปแห่งป ป, ปัญจธรรมได้แล้วก็จบเทศนาได้สุดยอดด้วยอะไรแต่ผลเทา้าสกะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเทาว้าสกากเรียบร้อยแล้วท่านได้บรรลุพระสูตรนี้นะเห็นไหมพอจบเรื่องเวทนานุปัสนาแสดงว่าเทา้าสกานี่ พระพุทธเจ้าทรงสอนอารูปกรรมฐานสอนเวทนานุปัสสนายเท้าเธอทั้งโสสุขเวทนาอาศัยเรือนและอาศัยเนคขมะนะสมณัตน่ยทุกเวทนาอาศัยเรือนและอาศัยเนกขมะแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาอาศัยเรือนและอาศัยเนคขมะใช่ไหมพอแสดงเวทนาสามเนี่ยให้แก่เท้าเธอที่อาศัยและไม่อาศัยเรือนและอาศัยเนคขมะเนี่ยจบ เท้าเธอก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอันนี้ถือว่าเวทนาจบนะในส่วนของเท้าสกัดฟังเท้าสกัดได้บรรลุแล้วพวกเราก็ตั้งอัตยาใสาไว้วันนี้ไม่ได้บรรลุใช่ไหมแต่สักวันหนึ่งจกต้องได้บรรลุคำว่ า, าสักวันในที่นั้นตั้งไว้เมื่อไหร่เล่ไปรอไหนรอไหนถามจริงถ้าจากบรรลุวันนี้เราเอาไมเนีย แค่นี้นะจะบรรลุแล้วหรือรู้แค่นี้จะบรรลุแล้วก็ใครควรให้มากกว่านี้นะใครควรธรรมดาอัทยาสายของพระเจ้านั้นไม่มีต่ำเนาะมีแต่ชั้นยอดทั้งนั้นแหละเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่คนเดียวก็ดีแก่หลายคนก็ดีล้วนแต่ทรงถือเอายอดอร่าผลเท่านั้นพระเจ้าเนี่ยเวลาจักแสดงธรรมเนี่ยแสดงยันยอดอร่าถถนไหแต่เท้าเธอได้แค่โดาบัน แต่พวกสัตว์ที่ตั้งอยู่ในอุปเทศัยที่สมควรแก่ตนบางพวกก็เป็นพระโสดาบันบางพวกก็เป็นพระสกาธาบางพวกก็เป็นพระนาคาบางพวกก็เป็นพระอรหันต์ใช่ไห ม, ม, มฉะนั้นเวาลาพระบรมศาสดาสแสดงธรรมเนี่ยแสดงเก็บตั้งแต่เบื้องต้นเลยม嘛แสดงไว้หมดแต่อุปนิสัยของสัตว์ที่ฟังเนี่ยบางพวกก็ได้แค่โสดาบันบางพวกก็ได้แค่สกาธาบางพวกก็ได้นาคาบางพวกาาพวก็ได้พระอรหนันต์ ในที่นี้พวกเราไม่ได้สักมัดนี่นะว่ฟังจบเนี่ยนะทั้งผู้พูดผู้ฟังเนี่ยแต่ก็ตั้งอัธยาศัยนี่อัธยาศัยที่ตั้งไว้แต่ไม่ได้ตั้งไว้ด้วยโมหะนะตั้งเวยด้วยความเข้าใจต้องคิดดูดิคนที่เขาจะบรรลุเนี่ยเขาฟังมารู้กี่ล้านโอกจริงๆไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะฟังรอบเดียวแล้วรู้เขาตั้งไว้หลายล้านโอกแล้วก็ฟังกันมาจนไม่รู้เท่าไหรแล้วถ้าเขาระลึกชาติได้แทบร้องไห้นะ ว, ว่าเขาจะได้แต่ละมัดนี่ โอ้ยเขต้องเพียนแบบ น, นี้นะกว่าเขาจะสั่งสมอัจฉริยะใสามาได้บรรลุเนี่ยไม่ใหญ่พินเพี้ยนหยุดหยุดเลยใช่ไหมอย่างเราเจ็ดเจ็ดวันเพียนเพียนครึ่งวันเนี่ยพอยังกลับไปเพียนต่อด้วยนะไม่ใช่เอาแค่นี้ใช่ไหมบอเอาแค่นี้อุ้ยพอแล้วดีแล้วยังไม่พอเราเพียนต่อตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนอะไรเหมือนกับพระราชาพวกเวนยศาสตร์ของพระองค์ก็เปรียบเสมือนราชกุมารเหมือนอย่างนั้นแหละ พระญาเป็นพระราชาเราก็เป็นราชกุมารในเวลาเสวยพระกยาหารพระราชาก็ตักก้อนข้าวตามขนาดของพระองค์แล้วก็ส่งป้อนพระราชกุมารนะส่งป้อนพระราชกุมารเยอะไหมพระราชกุมารเหล่านั้นก็ทรงทำคําข้าวตามขนาดพระโอษฐ์ของตนเองเนาะจากก้อนข้าวนั้นชั้นใดพระบรมศาสดาก็เป็นชั้นนั้นถือเอายอดแห่งอรัตผลด้วยเทศนาที่สมควรแก่อาทยาศัยของพระองค์เท่านั้น เวนยสัตว์ทั้งหลายต่างก็รับเอาโสดาปฏิผลบ้างสกาธาคามีผลบ้างอนาคามีผลบ้างอาราถมผลบ้างโดยประมาณตามอุปนิสัยของตนฉะนนว่าพระรูมาศาสดาสแสดงธรรมเนี่ยพระองค์แสดงไปเต็มตามลำดับเลยนะเวทนานุปัสนาติปทานเนี่ยบางท่านก็ไล่ไปตามลำดับทั้งสังเขปและพิจาราเลยนะบางท่านก็กินได้เฉพาะครึ่งเดียวเนี่ยเฉพาะเหมือนข้าเหมือนประราชาใช่ไหมมีพระราชกุมารหลายคนเนี่ย ก็ตัดให้ขนาดแล้วก็ส่งให้แต่ข้าวมีเยอะไหมโอ้ข้าวมีเยอะเลยใช่ไหมตัดตามขนาดคำแต่บุคคลไม่เท่ากันใช่ไหมนั้นอุปนิสัยที่ท่านทั้งหลายทํามาเนี่ยไม่เท่ากันปัจจุบันที่นั่งอยู่เนี่ยเชื่อไหมอุปนิสัยไม่เท่ากันเลยที่ฟังเนี่ยบางคนเข้าใจมากบางคนเข้าใจน้อยบางคนไม่เข้าใจเลยใช่ไหมไอ้ที่จะไม่เข้าใจเลยเนี่ยแปลว่าแต่ได้ฟงังไหมเป็นอธัธยาศาายัยไหมเป็นเห็นไห ม, ม ที่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยมีแต่อาจจะไม่ใช่พวกเราใช่ไหมอาจเป็นมดเป็นปลวกก็ได้อย่างเงี้ยหรืออาจเป็นเทวดาเป็นแรงต่างก็แล้วแ ต, แต่แต่ทุกคนก็มีอธัธยาศัยแล้วเชิวประเทศมีแสงพระธรรมของพระบรมศาสดานนะ่ะหมุนไปในโสตะถวารลวิธีของท่านลงสู่มโนถวารลวิธีแล้วฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจาเออเสียหายไหมมีแต่ความได้เปรียบอย่างคอยตั้งใจฟังเลยนั้นะฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรยมอมก้น แค่ขอให้ได้ฟังเธอเพราะต่อไปจะไม่มีโอกาสฟังอยู่แล้วใช่ไหมทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังเนี่ยล้วนตกอยู่ในกรดไตรลักแล้วกระแสเสียงมันก็หมดเดี๋วก็แสสของจักรอุปาสรรมันก็เรียบร้อยโสตประสาทก็เรียบร้อยใช่ไหมมันก็จะพังไปแล้วเพราะพังก็ไม่มีตัวสื่อในการจะรับเสียงเพราะไม่มีเนี่ยโสตตะวันรัตวิถีก็ไม่เกิดเพอโสตตะวัรวิถีไม่เกิดมโนท ว, วัรวิถีก็เปลี่ยนหรือเกิดยังไง ก็รับไม่ได้ถึงวันนั้นเราก็ฟังใครจะพูดอะไรก็อยู่คนเดียวเคเจอคนหูหนวกไหมเขามีโรคส่วนดวงเข้าไปนะเขามีรู้เรื่องหรอกเขาก็พูดไปอะไรไปก็ไปเจออยู่ที่วัดยังมีเราพูดเรื่องหนึ่งแกก็พูดไปเรื่องหนึงพอเจอหน้ากันอ่ะอ้านี่พักที่ไหนเนี่ยมาก็ถามเพราะวันนี้อากาศร้อนก็มาโอ ว, ว, ว่าไว้ผมนึกวาเอาไว้เขาไม่ยอมมีพระสององค์ใช่ไหมถ้านหนูไม่ดีทั้งคู่ตอนนี้มันตายไป เอ้ไม่ใช่ อ, ององหนึ่งยังไม่ตายแม่ขออภัยองหนี้ท่านไปอยู่ที่ท่านก็เดินเดนเ ด, เดมาแล้วก็อยู่กันไกลๆก็คอยดูท่านท่านทักกันนะท่านว่ า, าจะไปจังหวัดหรือเปล่าก็าบอกอ๋อไม่หรอกจะไปจังหวัดอีกองหนีง่งมาเถียงนะเอาละฟ้ากันหนึ่งหนึ่งทีเราฟังหน้าขำใช่ไหมแต่จริงๆไม่น่าขมเ น, นือีองหนึง่งบอกโอ้เนื่ว่าจะไปจังหวัดจะได้ฝากซื้อของอีกองนังน้นบอกไม่หรอกพอดีจะไปจังหวัดก็งั้น แล้วท่านก็บอกเอาอะรสิมาฟังแล้วจะว่างไงเงี้ยโยมคนว่างไงก็ก็ช่างนี้อันมาเขบินทบ่าเก็เจอแกทุกวันโยมเนี้ยนะไอ้ผูดหญิแกไงแกไม่ได้ยินแล้วอะไราถึงมีเท้าบอกไปแกก็ไม่ได้ยินแล้วมาเจอแกตรงหน้าประตูวัดแก็ถามบอกว่าเดินไปไหนโอเนี่ยผมถากคนเดียวเลยยานว่าผมตามคนเดียวว่าไปนึกยาน เห็นราถามแกว่าจะเดินจะไปไหนแกก็เนี่ยผมทําคนเดียวเหนื่อยหน้าดูดเราเปนนังโงตายแล้วห็ไหมคลัมุมเลยแกก็อยากจะทักเราเนี่ยขนาดเอาเอาเครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมีเครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยพระท่นกเล่าให้ฟังพระทนกเล่าใหฟังแกก็อยากแกก็มีรถแกก็อยากมาขับรถบริการพระแกบอกโหผมไปด้วยครังแล้วผมเหนื่อยไม่ไปอีกแล้ว S <S <an itary> บอกซ้าย <S <S <an itary> บอกขวายุ่งลแล้วแกก็อยากไปนะบอกดีไหมไม่ผ้าไม่ค่อยใช้ก็เลยเพราะว่าเขามีรถอยู่คันนะึงแล้วใครจะใช้ลองคิดดูดิ <S <S <S <an itary> นั่งก็ต้องอย่างนี้ต้องต้องต้องอนี้ตะโกนบอกเนี้ยบอกโอ้เหนื่อยเกิน <S <S <an itary> บอกอาหาหาไปไปก็ <S an itary> ขับพวกแกไปเรื่องทีไปวนสักรอบโหมันลำลบากแท้นเนี้ะแล้วอย่างนี้จะฟังก็ทําได้ไหมเนี้ย หมดสิทธแล้วตอนนี้เราทั้งหลายยังฟังได้ตอนนี้ยังฟังได้แล้วมันบอกเราไหมว่ามันจะลาแล้ว <c oughs> นอนหลับเนี่ยตื่นมาเมื่อนาวยังไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาแล้วจะทําไงวิ่งหาหมอก่อนใช่ไหมหมอบอกว่าหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วจะทํำไงเนี่ยโอ้น่าคร่งจี๊ตอนนี้รีบฟังพระธรรมเสีฟังพระธรรมก็ฟังข่าวในหน้าฟังกัน จริงวะจริงเนาะอย่ากับฟังพระธรรมจริงๆเนาะดีแลอย่าไปฟังอย่างอื่นเลยนะฟังอย่างอื่นเสียหายมาเยอะแล้ฟังแล้วเกิดโลภะโทสะเนาะโมหะด้วยนะฟังที่เกิดกุศลดีกว่ายิ่งไหมนั่นเองถ้าเกิดจะต้องฟังเนี่ยเราจะทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่างไรม่เมื่อไม่ให้เกิดโลภะนะอุเบกขาก็ไม่ดีนะถ้าอุเบกขาแล้วเฉยอนะต้องเบกขาแบบพิจารณาด้วยนะฟังอะไรอายกตัวอย่างที่ฟังอะไร สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเห็นโอ้เขากำลังทำบาปโอกกำลังรับผลของบาปเพราะอย่างังโอ้สัตว์เหล่านี้กำลังทำบาปนาะกำลังรับผลของบาปเนาะางฝ่ายทางก็ทำอกุศลระก ร, รมต่อกันและกันนะ่ากลัวมากเนาะเราจะทำเช่ไหนนะจะออกจากสังสารวัฏได้ เรายังไม่พ้นเลยวันใดวันหนึ่งแล้วก็ไปตะโกนด่าเขาตะโกนใส่ไล่ป้ายสีเขาเสียสีเขามีการทิ่มแทงซึ่งกันและกันได้ปากด้วยหอกหรือปากทํากรรมอกุญสรกรรมมันชั่วช้าลาบุกอะไรต่างๆแนี้นอกจากตัวเองจะเกลียดคนเดียวไม่พอยุยงในคนอื่นเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งก็ห่วงเรงต่างแล้วก็ว่าไปเนียนะแล้วก็ใครควรโอ้ยแค่ตําแหน่งตาแหน่งเดียวนี่นะบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟจะตายกันอยูแ่แล้วก็ยังไม่ยอมสละยังไม่ยอมทิ้งวพรา ง, งั้นนะ ไม่กลัวกันนะกันหนาใช่ไหมความกลัวทําให้เสื่อมโดยแท้โทนการไม่ฟังพระธรรมกูได้เจ้าแค่จะเดินลงแค่กําไอ้นิดเดียวแค่นี้ใช่ไหมให้สถานการณ์ท่านบอกไมไม่ตาที่จะเดินลงโอ้ยกรรมได้แท้นาะสัตว์นี่อยู่กับโมหะแท้เนี่ยเขาใหญ่ยังพิจารณาเน้สัตว์ทํากรรมสับสัตว์มืดบอดเป็นอย่างนี้จริงๆก็พิจารณาอย่างเงี้ยเห็นกรรมทุกครั้งนึกโอ้ยสะดใจเราจะต้องเร่งรีบขวนขวาย ในการเจริญสมถะวิปัสนาเจริญศีในบริสุทธิ์เราจะไม่กระทํากรรมอย่างนี้นะเราจะต้องหนีหนีโดยการแทงตลอดอริยสัตว์ให้ได้ทํำลายอิสามัชยริยะในใจให้ได้ไอ้ น, นี่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะบอกไว้แม่นนอนเข้าใจไหมแม้เรียนเรื่องนี้เราก็รู้อยู่เห็นไหมไอ้ตัวอิสากับมัชยริยะเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาไม่มีอะไรหรอกนะสองตัวนี้แหละอย่ากเกลียดบุคคล ให้เกลียดบาปอากุศลธรรมให้เกียดกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายทํำยังไงจะกระชากออกแล้วนี่ พ, พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนี้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยด้วจะได้ขนศัตว์หรือศัตว์เหล่านี้พ้นจากสังสารโลกนียนี่คิดอย่างนี้พระเจ้าคิดไหมนี่ศัตว์กําลังทํากรรมอย่าร่วมบริภโภคด้วยตัณหามนาธิฏฐิอย่าเที่ยวไปลุ้นว่าออ้ยฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนี้ผิดให้พิจารณาว่าใครทํากรรมชั่วใครทํากรรมดี ให้เห็นชัดๆมาดูที่คนก็ทํากรรมดีทําอย่างนี้ไหมทำด้วยโลภะโทสะโมหะถามว่าถ้าฝังรอยแคลนกันอย่างเงี้ยมีแต่เวนก่อเวนกันอย่างไหเมืองพุทธน่าี้แต่เป็นเห็นมาเห็นชัดนะในใจไม่ใช่พุทธแล้วในใจเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ในอบายแล้วอือพิจารณาเงี้ยนะโอ้หน้าพัวแท้แล้วก็พิจารณาเลยก็ใข้ควรเข้าใจอย่างไม่อไ่ไปเสพลุ้นอุ่เอาชนะเฮ้ยชนะเฮ้แพ้เฮ้ยแพ้อะไรตาเลยเสียเลย พระกับบุตรชนเนี่ยคืออย่างนี้ยอ ม, มอย่าพูดเรื่องพระเรื่องคาราวายอมเคยเห็นประเทศพ ม, ม่าไหยเคยเห็นประเทศศรีรังกาไหมพระออกเป็นหมื่นเลยใช่ไหมเผาใช่ไหมาาไหม่พระไมนั้นถ้ากิเลสเข้าใจใครนะความสภาพนั้นหมดทั้งยมและทั้งหมดถ้ากิเลสเข้าสิงแล้วทำได้ทุกอย่างทำปีตุขตก็ได้ทํามาตุกขตก็ได้ทําอรหันตุาตก็ได้ ทำโลหิตตบาดก็ได้ทำสังะเพศก็ได้เป็นเนี่ยต่วิฉาทิฏฐิกำรนรั้ได้เลยเขาจใหยังสัตว์ทั้งเรายังไม่พ้นเลยเคยเป็นด้วยเราในแบบเนี้ยในสังสารวัตแล้วจะเป็นด้วยทาไมพ้นดูคนที่น่าห่วงคือคือใครคือใครตัวเรานี่แหละที่เราไปร่วมลุ้นน่ะเราเป็นแล้วนะเนี่ยเราเราได้เสรบาปกับเขาแล้วนะเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยแล้วกำนั้นสําเร็จแล้ว เตรียมรอเวลารับผลแล้วทนใหนีน่ต้องเข้าใจจริงๆคำสอนนะถ้าไม่เข้าใจจริงๆเราจะตกเป็นเหยื่อของกิเลสทันทีต้องมีความเข้าใจต้องมีความรอบรู้เสพต้องเสพแบบผู้รอบรู้จริงๆต้องศึกษาไม่ใช่เสพขอใหยต้องเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจนะเราตกเป็นเหยื่อทันทีเป็นเหยื่อของกิเลสในใจนี่นแหละมันเผาร้อนทำให้เราเป็นวิชาทิฏฐิไอความรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของเราเราเนี่ยเป็นคนเอียงไม่ใช่คนตรง ฉันภาคติเรายังกระละไม่ได้โทสาคติก็ละไม่ได้พยาคติก็ละไม่ได้โมหาคติก็ละไม่ได้ลําเอียงเพราะความรักลําเอียงเพราะความกลัวความโกรธความหลงความโง่เนี่ยเรามีอคติเต็มใจท่านเอาพระธรรมอุปนิสจาใส่ใจไว้ใส่ใจไว้แล้วก็ศึกษาคําสอนให้ชัดมันทุกยุคใช่ไหมไม่ว่ายุคเหลืองออกพกระก็เต็มทำเนียบ อายุกแดงออกพ้าก็เต็มสนามหลวงแล้วเต็มไหมล่ะไม่จะว่างไงถ้าเราจะพูดกันเรื่องพระมันเต็มทั้งนั้นเนี่ยไอ้รูปแบบที่คนไปสร้างนี่นแหละมันสร้างกันขึ้นมามันก็มันก็เป็นมันมาไปเจอคนเขาบอกเหม่อยากจะดูจะมันจะไปหลงกับเขาได้ยังไงก็ว่าเพราะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ไปร้องตะโกนก็จนเสียงหมดลืมตัวออก็ออกมาเนะี่ยลืมตัวเอ อ, นอมมนนเนี่ยยอมเาที่ไอ้ที่คันๆเนี่ยจะไปนั่งมึนถึงชั่วโมงมายอม มันเป็นอุ ป, ปาทานหมู่เป็นจิตติญาบวลชนใช่ไหมมันเป็นอุ ป, ปทานนะานะเข้าเนื้อเข้าเนี่ยยกมือแล้วไม่ไม่เอาเริ่มข้ออะไรแล้วเนื้อเข้าแล้วปาดตะโกนแล้วออกไปออกไปมันเป็นอย่างนี้ฉันคนที่ขาดปัญญาขาดการไขควรขาดการพิจารณาเสียหายมากนั่นแดงว่าดูได้ใจยากยากดูยาก ถ้าถ้าไม่จําเป็นสุดๆนะถ้าไม่คอขาดบ่าดตายนายโยนนะถ้าไม่มาเผาบ้านเราใกล้ๆนะอย่าดูเอาเงินเพราะธรรมชาติคนจิตดูแลยากที่สุดยากมากมาท้าเลยดูไม่ถึงชั่วโมงมากลับมาก็มาเจ็บปวดเอาเี้แค่คนโทรบอกขนาดอดมาเนี่ยนะตั้งใจแค่คนโทรบอกโทรบอกกันมาูตายแล้วบอกขอร้องอย่าโทรมาได้ไหมอยากจะปรึกษาท่านน่ะทุกข์ แล้วก็บรรยายใไปบรรยายครับญญเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันเนี่ยคนที่รู้จักอาตมาแย่หมดอยู่สองกลุ่มอยู่ในระดับห้างบนกะโทรมาอาตมาก็อธิบายอธิบายมันเป็นอย่างนั้นเขาทุกข์ใจเขาบางทีเขาเครียดเนี่ยนี่แหละโทษเขาใหญอย่างโทษของสังสารวาัฏโทษของการที่ที่จริงการตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยถ้ามันตัดกันตั้งนานจะไม่มีอะไรหรอกเออ กรณีที่ว่าไอ้ต้นไม้ต้นเนี้มันงามแล้วมันมีผลเข้าใจใช่ไหมเขาเรียกศึกชิงกามใครขึ้นไปแล้วก็ไม่อยากจะลงมันมันหอมหวานเน่ยมันเพราะม่มีผลเออมันก็ไปแย่งกันไอ้พวกไม่ลงดีพวกก็จะโค่นต้นมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกมีทุกยุคไปดูในไหน ถ้าทำการจะบรรเทาความทุกข์ในใจไปดูในมหาทุกขะขันธสูตรจูราทุกขะขันธสูตรในมัชิมานิไกรไปเบิดดูแล้วเราจะเห็นนี่แหละสึกชิงกรรมเป็นแบบนี้ในสังสารวัฏที่พุทธเจ้าตรัสไว้อ่านตรงนี้ทั้งบาลีอัตถกถาอ่านเยอะๆแล้วเราจะได้เห็นว่าเออเป็นอย่างนี้จริงๆเข้าใจใช่ไหมแล้วเราจะได้เห็นโอ้โหสึกมีทุกยกุทุกสมัยเลยพ่อกับแม่แทะเลาะกันกับนี้บางทีเนี่ยพ่ออยู่เมืองนึงลูกอยู่เมือ ออเดินกองท้ามาลบไปแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ชิงกันมาชิงกันมาพวกเราเนี่ยเป็นผลิตผลของของของการเกิดอามาจั้งบอกไงถ้าพูดกันตามคําสอนเนี่ยอย่ากลัวอย่ากลัวว่ามันจะล่มจะจมมันเป็นมาอย่างนี้ถ้ามันจะนั่นมันก็เป็นไปตามสภาพมันเข้าใจยางเหมือนศาสนาเสื่อมเนี่ยไอ้ที่มันเสื่อมจริงๆเนี่ยคือใจเราเนี่ยมันไม่มีคําสอนนั้นคน คนถ้าเราไม่เข้าใจคําสอนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจคําสอนเนี่ยเรารักษาใจไม่เป็นเราหลายหลายคนทุกวักนถึงบอกโอ้โหแต่ก็อยากจะดูใช่ไหมเป็นงั้นใช่ไหมอยากจะรู้เหตุการณ์ใช่ไหมพอไปรู้เขามาก็เจ็บปวดใช่ไหมนี่ยมันเป็นแบบ น, นี้ถ้าจะมาเนี่ยไม่ดูข่าวไม่ดูเลยไม่ดูเลยครับไม่เห็นประโยชน์ไม่ขนาดไม่ดูก็รู้ไปเบียนทบาทวก็เล่าอีกฟังอะไรก็เพิ่งย่ๆหมด ไม่เห็นจะต้องไปนั่งจ้องดูอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็นั้นก็เล่าคนนี้ก็เล่าแล้วก็รักษาใจเราก็พิจารณาไม่มีไม่มีประโยฮะเขาเล่าใช่ไหมเอาเล่าก็าเห็นเป็นอะไรบอกลื้ออ๋อเขาทำกรรมอะไรบ้างที่เขาทํามีปานาติบาตไหมถามเขามีใช่ไหมอาอมีการกระทาปาณาติบาตมีอธินนาทานไหมมีการรักของกันไหมมีมีการเมสยหรือมีฉาจานไหมมีมุสาวาตไหม มีปีศาวาจาไหมพุรุสวาจาไหมมีสัมผัสปลาปากไหมมีอภิชาโลภไหมมีพยาบาทโกรธไหมมีความหลงไหมอ๋อเขาครบเลยเนาะเขาทําอกุศลกรรมมาบทสิบครบเลยเขาบอกอ๋อกษัตริย์กําลังทําอกุศลกรรมกันมาเล่าทําไมแล่ะเขียนจนเบื่อแล้วว่ามันะก็ตนเองก็กําลังทําบาปอยู่เนี่ยเอาทําอะไรเอาขอเขามาเล่าไงบากที่มาเล่าไงตอนนี้คุณเล่าได้กุศลจิตหรืออกุศลเล่าได้จิตเครียดไหมเนี่ย เอาเครียดเอาเป็นอกุศลเอาคุณกําลังทําบาปอยูแล้วเนี่ยเข้าใจยังก็ทําทบาปอยู่แล้วมีไหมเล่าด้วยเมตตาได้ไหมก็นั่งแผ่เมตตาเขาก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมเขา ม, มีความสุขกันถึงใช่ไหมก็โพ <laughs> วันก่อนมีคนเขาบอกโพตารวจมาบอกคนไทยทุกข์สุดๆ <laughs> ก็ไม่ทุกข์เลยไงใช่ไหม <laughs> ก็ดูวิธีกครคิดสิก็ดูวิธีคิดวันเสาร์ก็ดีวันอาทิตย์ก็ดีต้องเอาพระน่ยไปบรรยายออกทีวี เอาจ ร, จริงให้สอนวิธีคิดให้สอนเรื่องกรรมสอนเรื่องการมองกันเรื่องวิเคราะห์เอาพระที่ท่านสอนวิธีคิดดีๆวิจัยไปใช่ไหมเยอะแยะที่ท่านถึงจะมองได้ใช่ไหมยะก็สามารถรักษาใจของประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช่ไหมใช่ก็ตัดไอละครทีวีออกไปในช่วงนี้ตัดให้หมดเปิดไปรายการไหนก็มีพระบรรยายสติปัฏฐานเนี่ยสมปัติฐานอธิบาทอินท ร, รีย์ีพระราพ่อชงอะรียมักเนี่ยโอ้โหน่าชื่นใจเลยใช่ไหม อ๋อมีเสียงสวดมวนเต็มไม่หมดเลยเงี้ยเข้าใจใช่ไหมถ้าลองลองทําดูสิใช่ไหมไม่จบเลยเดี๋ยวนี้ยพระท่านก็ บ, บรรยายไปสิเดี๋ยวเอาที่บรรยายก็าท่าเขาทาข่าไปบรรยายเรื่องโน้นจะตัดกรรมตัดเวรกันีกอะยุ่งกันเลยเนี่ยก็จริงสร้างความไม่เข้า่าก็ถามเลยเยอะยอมมาเยอะเท่าไหร่แล้ ว, ลวเพรใครใช่ไหมผ่านเหตการณมาเยอะใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วในสุดนี้ก็จบไหมสิบสี่ตุลาเคยผ่านแล้วใช่ไหมเรื่องนั้นหายหมดแล้วใช่ไหม ตั้งแต่หนึ่งกหนึ่งเก้าก็ผ่านมาแล้วสามหก็ผ่านาเยอะไหมไอ้แรงแรงต่างต่านี้สังสารวัตรเป็นแบบก่อนหน้านั้นยิ่งกว่านี้แต่ก่อนเคยมีที่ไหนแผนที่ที่เนี่ยเคลื่อนตัวมาเรื่อยไม่ต้องกลัวสางสารวัร ต, ตปรตปฏิสันที่มีเยอะที่ปฏิสันทีที่ปฏิสันที่มีเยอะในน้ํามีไหมบนต้นไม้ก็มีบนภูเขาก็มีใช่ไหมบนในจาตุมหาราชิกามีเตาวติงสายามาดุสิตานิ ม, มานาเลยปรานิมมิสวสวัสดีในใบยมพรมก็มี ฉะนั้นถ้าจะรักการท่องเที่ยวเว้นว่ายตาเกิดแสนก็จะกวนมีหลอยพบหลายภูรองรับเยอะนั่นแหละโทษของสังสาร ว, วัฏคนที่ตายก็จุดติก็ฝันนี้ท่านก็ปฏิสนิกรบินไปตามกรรมเนียคนที่ทํากรรมก็เดี๋ยวกรรมก็ตามไม่ผลมันจัดสรรอย่างใช่ไเราท่านทั้งหลายไปทาํากรรมร่วมบริโภคร่วมลุ้นแล้วก็รับกรรมก็อย่งที่อาจารย์มายกตัวอย่างไงเอาคนหนึ่งฆ่า ด้วยความตั้งใจด้วยฉันทาด้วยตั้งใจจริงๆครับอีกคนหนึ่งถูกบังคับให้ทำโอ้โหถูกคําสั่งตูมลงมาเลยว่ต้องไปทำอีกคนหนึ่งนั่งดูลุ้นนะฮะคนแรกเนี่ยตั้งใจทําตั้งใจสั่งเป็นสัตว์นรกไอ้คนถูกบังคับเป็นสัตว์เดรัจฉานไอ้คนที่สามลุ้นโหดีเหลือเกินเป็นเปรตก็แค่นั้นเอง ทีนี้เราทีเราก็ดูว่าคนสั่งมีมาแล้วคนค่ไอ้คนตั้งใจก็มีแล้วคนถูกบังคับก็มีใช่ไหมไอ้คนรุน่ะเราไปรุนกับเขาบ้างไหมเอาละสิตรเนี้ถ้ารุนเนี่ยเราจะอยู่ประเภทสามแล้วก็ไปเลือกเราที่คติจะเอาสัตว์นรกหรือจะเอาสัตว์เดราาัจฉานหรือจะเอาเปรดถ้าไปรุนไปแล้วทำไงกรรมนั้นสําเร็จหรื อ, อยังรอรับผลในโอกาสทันควรใช่ไหมรอรับผลในโอกาสทันควรนี่เรื่องจริงเลยนะ มันจะเป็นอย่างนี้ยู่มันไม่เว้นหรอกถ้าเรารู้อย่างนี้แปลว่าเข้าใจเรื่องกรรมแล้วเข้าใจไหมนะถ้าดูแล้วลุ้นได้ไม่ยอมบังกวลุ้นเชียร์ได้ไหมเอาเราเราเคยเชียร์มาหรือยังถามจริงที่ผ่านมาเนี่ยเคยเชียร์ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มาหรือยังเคยมหมยุ่งเลยใช่ไหมเชียร์ที่ไม่ร่วมเชียร์ฝ่ายใดก็แล้วแต่เชียร์คนที่ทําทุจริตเราก็อยู่เพศสาม โอ้ยน่ากลัวยมเลยสสาราว <c oughs> ถ้าไม่รู้จะกรรมจริงๆอ่ะน่ากลัวสมควรแก่เวลาเลยยังเอาใครจะถามปัญหา <ขอ S 1> แล้ว <มา S 1> ลว่าพอจะคิดเป็นพอคิดเป็นตอนนี้สมมติถ้าจะเห็นเหลืองเต็มท้องสนามหลวงจะคิดยังไงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน่ยังเรกนะว่าท่านอยู่ใน้าเหลืองเนี่ยไม่ใช่องค์ีเป็นสิบยี่เนี่ยท่านนาะมีการพักฟเองว่าเป็นพันโยบเป็นพัน นี่เราคิดใช่ไหมใช่ไหมเราคิดใช่ไหมเอาเอายอมแต่การคิดในลักษณะนี้ถามว่าว่าเราคิดเองใช่ไหมก็ใช่การคิดอย่างนี้ไม่ถูกนี่วิธีคิดยังไม่ถูกนะเข้าใจไหมถ้าจะคิดให้ถูกต้องคิดยังไงต้องคิดว่าโรพาโทสะโมหะยังสิงแน่นอยู่ในกระแสใจของใครในกระแสขันของท่านบุตรใดความวิปริตมณสิการเกิดได้เมื่อแม้เราเองก็ไม่เว้น จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไปจะถึงคนหักฟืนขายจะห่มผ้าเหลืองคุมผ้าเหลืองหรือคุมผ้าทิ้วไม่ต่างกันถ้าราคาโทรศัมหากินใจอย่าเอาสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องวัดสั ญ, ญลักษณ์ก็คือสั ญ, ญลักษณ์แต่จิตใจที่เป็นไปกับบุญหรือบาปแล้วแต่ใครจะสั่งสมอบรมใช่ไหมเรารู้กรรมเขาไหมรู้อดีตกรรมไหมล่ะเขาเคยเครียดแค้นชิงชังกันมากี่ร้อยกี่พบกี่ชาตินี่โทษโทษก็ ง, งานไม่รู้ของเราใช่ไหมเนี่ย เออเราไม่รู้สังสารวัตรเนี่ยบางท่านเนี่ยเคยเคยเล่นกันมาไม่รูกี่พบกี่ชาติถึงจะไปอยู่ในผ้าเหลืองอัธยาสัยเดิมก็กระต้นทา่านท่านก็ไม่อยากจะทำใครอยากทํากรรมชั่วแล้วบางทีมันก็มืดบางทีมันก็บอดก็เหมืนอนเราไงบางทีเราก็ยังเที่ยวไปด่าได้เลยใช่ไหมเออไปคิดเงินได้งไงแล้วก็ไปด่าส่งเล ย, ยงไงแล้วเราก็ไม่ควรก็อีกแล้วยังไีทําสิ่งที่ไม่ควรอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมเชะมองเห็นไหมตรงเนี้ยอุกกำนิวิจิตที่จะานเยอะ เอาบางท่านเราไปตําหนิขึ้นมาบางท่านเนี่ยมีคุณระดับสูงเลยเข้าใจใช่ไหมบางครั้นเป็นพระโพธิสัตว์มาก็ได้นะที่ไปเดินกบวนเนี่ยเคยรู้<ม>ไหมนะเอาเราก็เคยเห็นเนี่ยพระโพธิสัตว์ทําผิดสัตว์ดริชาดเป็นพระโพธิสัตว์ยังมีเลยใช่ไหมยะ อ, อย่าไปคิดอย่าไปว่ากันอย่าไปว่าบางเรื่องวิปริตเหมันสิการความเป็นบุรุษชนเนี่ยมันห น, น้ากรุณากันอย่งนั้นแหละแม้ตัวเราเองเนี่ยเราไปคิดไม่ดีกับท่านเนี่ยบาปเกิดที่เราเน่แน่นี่เป็นอย่างนี้เข้าใจใช่ไหม บางทีเราไปมองอุ้ยท่านนี้น่าเกลียดน่าเกลียดมากฆ่าได้จะฆ่านี่พรโพอธิสัตว์มาเกิดได้เล ย, ย, ยนะบางทีลองพบชาติดีเพราะั้นต้องเข้าใจกรรมให้ดีไปศึกษาเรื่องกรรมใม้ชัดนะดูจูรกรร ม, มรวิพังกสูตรบ้างดูมหากัมมาวิพังกสูตรบ้างเอาเรื่องกรรมไปฟังไปพิจารณาแยกแยะให้เป็นเราจะชัดหรือเอาเทปไปฟังเยอะๆฟังเยอะๆแล้วเขาก็จะได้ได้ความคิดที่ถูกต้อง